เจริญพรทูกท่านทำมาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของตัวเราเองมันคือการเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่เคยถูกฝึกให้เรียนรู้ตัวเองตั้งแต่เด็ ก, ดกมาเรียนหนังสือมาเนี่ยเรียนรู้อย่างอื่นหมดเรียนรู้วิชาการต่างๆรู้ไปนอกโลกนอกจั ก, กรวาลใต้ทะเลรู้หมดไม่เคยฝึกที่จะรู้จักตัวเอง นี่เราเรียนรู้อะไรต่ออะไรมากๆมันมีประโยชน์ไหมมั น, ม น, มนมก็มีนะไว้ทามาหากินได้เข้าใจธรรมชาติบางส่วนแล้วก็เอาไปทำงานหาเงินใช้มีชื่อเสียงแต่มันไม่ค่อยมีความสุขถ้าเมื่อไหร่เราหาตัวเองไม่เจอเรายัางคนตัวเองไม่เจอไม่มีความสุขถ้าคนพบตัวเองได้ชีวิตมันจะเปลี่ยน มันจะมีความสุขมหาศาลเลยสมัยพุทธการตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆถ้านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีกลุ่มเจ้าชายกลุ่มหนึ่งสามสิบองค์ก็เที่ยวมาจริงๆไปเที่ยวผู้หญิงแล้วพอเผลอเนี่ยโซเฟนีนี่เอาเครื่องแต่งตัวของเจ้าชายนี้ไปก็ตามกันมามาเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็ถามว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม พระเจ้าบอกว่าไปตามผู้ยิงคนนี้นะหาผู้หญิงคนนี้กับหาตัวเองเนะี่ยอะไรจะสําคัญกว่ากันเนยเจ้าชายพวกนี้ฉลาดาบารมีเต็มนะท่านบอกว่าหาตัวเองสําคัญกว่าวก็มาฟังธรรมในที่สุดท่านก็รู้จักตัวของท่านเอง ไ, ได้พระโสดาบันกลุ่มนี้ยังฟังทีแรกยังไม่ได้พระรหันต์ก็เก่งมากแล้วละ่ะพวกเราฟังธรรมซ้าแล้วซ้ำอีกตั้งนานยังไม่ได้เลยโสดา บารมียังไม่พอก็ต้องฝึกอีกการที่จะมาเรียนรู้ตัวเองนะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตัวเราเองอยู่ที่ไหนอยู่ในกายในใจนี้เองเวลาที่เราคิดถึงตัวเราเราก็คิดถึงมันคือร่างกายนี้คือจิตใจนี้นอกจากร่างกายจิตใจออกไปก็เป็นของเราหรือเ็เป็นคนอื่นเป็นของคนอื่นออกไปไกลๆออกไปเรื่อยๆ ันไม่รู้ว่าจะเป็นของใครนะแล้วก็บอกเป็นของสาธรารณะเป็นของโลกหาเจ้าของจนได้ที่จริงโลกนี้ไม่มีเจ้าของต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเจ้าของคนเราไปตู่เอาเองว่านี่เป็นของเรานี่เป็นของเรามันเริ่มมาจากการที่ไปตู่เอาสัตว์ตัวเนี้ยว่าคือตัวเราที่จริงมันก็เป็นสัตว์ในโลกตัวหนึ่งตัวเล็กนิดนิดนิดเดียว เทียบกับโลกแล้วตัวเล็กนิดเดียวเล็กกว่าชิุูนอกีกแต่ว่าสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นเราเมื่อมันเป็นเราขึ้นมาก็มีตัวเรามีของเรามีคนอื่นมีของคนอื่นมีของไม่มีเจ้าของไกลออกไปเรื่อยๆแล้วอยากได้เข้ามาอีกตัวเองคนเดียวไม่พอยึดเอาสมบัติของโลกมาเป็นตัวเราอย่างเดียวยังไม่พออยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าตัวเองมาอีก ดันดิ้นรนแย่งชิงกันมากมายกล่าว่ามีมากๆานะมีทรัพสมบัติมากๆมีชื่อเสียงมีบริวารมากมานะมีอะไรเยอะๆนะแล้วจะมีความสุขดิ้นรนกันแทบเป็นแทบตายนะดิ้นรนจริงๆอยากได้ความสุขอย่างตอนเนี้ยเดือนกันยามีคนเกษียณเยอะเลยแต่ละปีแต่ละปีพวกที่เกษียณเนี้ยก่อนจะเกษียณนี่ก็สู้มาเยอะละ ฝากคมหอกคมดาบมาเยอะเลยช่วงชิงได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงวันหนึ่ง mm hmm. กเกษียณเท่านั้นเองต้องคืนเข้าไปละต่อไปยิ่งกว่านี้อีกพอตายลงนี่ต้องคืนสมบัติทั้งหมดเลยให้โลกเราบอกซื้อบ้านมาเป็นบ้านเราอยู่ได้ชั่วคราวหรอกบ้านเราที่ซื้อมากับบ้านที่เช่านะก็เหมือนกันอย่างเดียวก็คืออยู่ได้ชั่วคราวก็คืนอีกเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจ ชีวิตเราก็จะขยายความยึดถือออกไปเรื่อยๆเราจะไปยึดถือเอาสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเป็นภาพลวงตาเอามาเป็นตัวเรามาเป็นของเราและสุดท้ายมันก็ทนความจริงไม่ได้ไม่ต้องคืนเจ้าของหมดมันคืนโลกหมดดิ้นแทบตายเลยอย่างบางคนต่อสู้ตั้งนานนะแย่งกันเป็นสมแย่งกันเป็นนายกนะแย่งเป็นผู้อำนวยการสุดท้ายก็พ้นจากตาแหน่ง สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นตาแก่เป็ น, ปนยญ่แก่ไม่มีเขี้ยวเล็บเลยเนี่ยถ้าคนเราไม่รู้จักความฉลาดไม่รู้จักธรรมะนะ mm. ก็จะดิ้นไปนแบบนั้นนะแย่งชิงกันมาก็แย่งชิงแต่สิ่งที่เป็นภาพลวงตานึกว่ามีนึกว่าดีแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเนี่ยธรรมะจะสอนเรานะให้เราเรียนรู้ตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอคนออกมาให้ได้เลยนะว่าตัวเราคือใคร เรามีหน้าที่อะไรอย่างบางคนตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เ, เ, กเกิดมาไม่นานนะรู้จักคิดหนึ่งบ่าเราเป็นใครทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเรามาเกิดอยู่ตรงนี้ใครเคยรู้สึกบ้างรู้สึกไหมเรามาจากไหนมาทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยบางคนรู้สึกนะพวกนี้พวกมีบารมีเก่าพวกจิตเคยอบรมเจริญสติเจริญปัญญามามันจะเฉลียวใจขึ้นมาว่ามาทาอะไรตรงเนี้ย เกิดมาทำไมมนุษย์เราเกิดมาทำไมบางคนก็คิดอย่างนี้อันนี้คือคนซึ่งมีบุญเก่าบารมีเก่ามันเตือนที่จะให้สแสวงหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองเราอยากรู้ว่าเกิดมาทำาไรก็า ม, มาดูใครเกิดกายนี้ใจนี้มันมาอยู่ตรงนี้มีกายมีใจขึ้นมามันมีหน้าที่อะไร เรามีร่างกายล้วไม่ได้มีหน้าที่แค่เอาร่างกายไว้หายใจเอาร่างกายไว้ก <clears S 2> ินข้าวเอาร่างกายไว้ทำโน้นทำนี่ร่างกายไม่ได้ตื้นอย่างขนาดนั้นร่างกายยังต้องทำงานบางอย่างซึ่งเราไม่ชอบเลยร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายเนี่ยมันมีหน้าที่ของร่างกายอยู่ถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้นะพอเรามันแก่ร่างกายแก่กลายเป็นเราแก่ร่างกายเจ็บมันเป็นเราเจ็บร่างกายตายเป็นเราตาย ว่ายอมรับไม่ได้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นอย่างยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องแก่เนะยพอแก่ขึ้นมาเนี่ทุกข์นะพวกเราจําผมหงอกเส้นแรกได้ไหมตอนที่ผมหงอกเส้นแรกเกิดขึ้นมารู้สึกยังไงภูมิใจไหมได้อยู่มันนานจนผมหงอกแล้วหรือใครยังไม่มีผมหงอกบางคนเกือบจะไม่มีผมแล้วนะนะจิตใจนี้นะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดี <S <S เดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหม คนในโลกนะมีจิตใจกันทุกคนนะีนบางทีก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักใจมันรักแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งนี้ไปทีก็เจอสิ่งที่ไม่รักใจมันไม่ชอบต้องมาเจอสิ่งนี้เนี่ยใจมันรักบ้างใจมันเกลียดบ้างใจมันก็ดิน้นใจมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเรามาหาดเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะเราจะค่อยๆถอดถอนสิ่งโสโคุก คือกิเลสตัณหาทั้งหลายออกจากใจตัวนี้เป็นตัวมลภาวะในใจเราคือกิเลสเรานี่เองไม่มีใครจะทําความทุกข์ให้เราได้นะจิตใจที่มันมีกิเลสเนี่ยมันทําความทุกข์ให้เราได้ถ้าปราศจากกิเลสซะแล้วเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปเนี่นกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะซ่อนอยู่ในใจเราเนี่เอง บางคนอยู่ๆจะมาเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ไม่ได้เข้ามาเรียนถึงใจไม่ได้เรียนที่กายก่อนกายน่ะเหมือนบ้านใจเป็นเจ้าของบ้านเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านเขาไว้คอยดูอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนึงเราก็เห็นเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านเราดูไปดูมาในบ้านไม่ใช่มีแต่เจ้าของบ้านนะมีโจรซ่อนอยู่ด้วยในบ้านเนี้ในใจเราเนี่ยมีโจรซ่อนอยู่นะมีผู้ร้ายคือกิเลสซ่อนอยู่ ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวบงการเราเป็นตัวใช้งานเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราแต่ละคนตกเป็นาธาตุของกิเลสนะมันสั่งให้เราทำโน่นทํานี่ตลอดเวลานะถ้าเรายอมตามใจมันนะอย่างสั่งให้เราไปเที่ยวแล้วเราไปเที่ยวเนี่ยมันโยนรางวัลให้เรานิดหน่อยให้ความสุขมันนิดนึงแล้วมันก็สั่งงานใหม่ทันทีเลยให้ไปทําอย่างอื่นต่อถ้าเราทำอีกมันก็ให้รางวัลโยนความสุขมาให้อีกหน่อยหนึง่งแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันลงโทษ อยากเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอยากกินแล้วไม่ได้กินอยากมีแฟนแล้วไม่ได้มีเลยนะมันจะลงโทษนะมันจะทุกข์หนักขึ้นมาเนื้อกิเลสมันเจ้าเล่ห์แสนกลดเป็นเจ้านายที่ลึกลับมีการให้คุณให้โทษเราได้ด้วยนะตัวโดยเฉพาะตัวตัณหาตัวความอยากเนะี่ยส่วนี้แหละเป็นตัวร้ายที่เราจะต้องเรียนลด ถ, ถอนไม่หรอกจากใจเราให้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป วิธีที่จะถอนกิเลสออกจากใจถอนสิ่งซึ่งมีพิษออกจากใจเราเนี่ยอาศัยเครื่องมือสำคัญนะคือความมีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกนีแต่บางคนดูใจไม่เป็นนะดูกายก่อนรู้สึกที่กายก่อนแต่ถ้าบางคนดูจิตใจเป็นก็ดูจิตใจเข้าไปเลยวิธีดูจิตใจทาไงคอยรู้ทัน มีก็อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันพวกเรารู้ได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรหลวงปูดูลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะเมื่อวันที่6กุูมภาพันสองพันาร้ยยี้าประโยคแรกที่สอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้เลยการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะอ่านจิตตนเองจะยากอะไร พวกเรารู้จักความสุขไหมเนี่ยเวลาความสุขมันเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะมัวแต่หลงระเริงเพลิดเพลินไปที่อื่นนะเรารู้ทันว่าตอนเนี้ใจมีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นรู้จักความทุกข์ไหมเนี่ยถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจนะเราคอยรู้สึกนะเวลาความดีเกิดขึ้นเราก็คอยรู้สึกเวลาความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็คอยรู้สึกเอาอาศัยคอยรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้เห็นความจริงของจิตใจ คือจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วจะสุขก็สุขชั่วคราวนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเวลาทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวแล้วก็หายเวลาดีก็ดีชั่วคราวนะอย่างบางทีอยากฟังเทศฟังไปได้หน่อยหนึ่งนะแค่ความอยากฟังเทศเนี่ยหายไปแล้วอยากจะนอนละอยากจะหลับละกินข้าวมาใหม่ๆหรืออยากจะกลับบ้านอยากจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ความดีมันหายอย่างรวดเร็ว ความชั่วเขาหายเหมือนกันอย่างความโลภความโกรธความโล่งเองเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเนี่ยเราแค่คอยรู้ทันพวกเรารู้จักโลภไหมรู้จักโลภไหมอยากได้อยากรู้จักโกรธไหมโกรธเนี่ยรู้จักง่ายพวกเรายุคนี้คนขี้โกรธเยอะนะกระทบอะไรนิดหนึ่งก็โกรธกระทบอะไรนิดหนึ่งก็โกรธไม่ได้ฝึกให้ไม่โกรธนะฝึกว่าโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ โลบเรารูส้สุขเรารู้ทุกเรารู้ฝึกให้อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปเราจะเห็นเลยว่าจิตใจที่สุขนะก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยในใจเราเนี่ยหัดเรียนรู้ตัวเองนะที่สําคัญเลยเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจเรา เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรานี่ม่นของชั่วคราวไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้อย่างบางคนได้ยินบอกให้ดูจิต ด, ดูใจให้รู้ทันจิตตัวเองรู้ทันความรู้สึกตัวเองคิดมากว่าทำยังไงจะดูยังไงอย่างถ้าเด็กเล็กๆฟังนะบอกให้รู้ทันใจตัวเองมันก็รู้เลยมันไม่ต้องคิดมากที่จริงรู้ได้ทุกคนอ่ะแต่ว่าไม่ยอมรู้เราสนใจสิ่งอื่นนะเราไม่สนใจตัวเองเราไม่หาตัวเอง อย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเงี้ยเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเรานะเราจะไม่ดูว่าใจกําลังโกรธเวลาเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเรารักขึ้นมาใจเราชอบขึ้นมาเนะีเราก็จะดูแต่สาวเราจะไม่ดูว่าใจกําลังรักอยู่ใจกําลังชอบอยู่เนี่มันกลับข้างนิดเดียวเองแทนที่จะหลงไปในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิน่นที่ได้รสที่ได้สัมผัสทางกายหรือที่เรื่องราวที่คิดเอา เราคอยย้อนกลับมารู้เท่าทันใจของตัวเองนะอย่างคนขับรถปาดหน้าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปรู้ว่าไอ้คันนี้ปาดหน้าเราตนะ้องไปปาดคืนนะให้รู้ทันว่าใจกําลังโกรธแค่นี้เองนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่ามันฝืนความรู้สึกเพราะเราเคยชินที่จะออกข้างนอกตั้งแต่เด็กมาเราถูกสอนให้เรียนออกข้างนอกตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆนะนอนอยู่นะคนมาเยี่ยมตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องอะไร มันก็ชอบมาหลอกเด็กนะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋นะชวนให้เด็กเด็กเอามือไปหลอกมันบ้างอะไรบ้างเด็กก็สนใจออกข้างนอกนะถูกฝึกให้ดูออกข้างนอกตั้งแต่เกิดเลยนะไม่มีใครเลยไปเยี่ยมเด็กแล้วบอกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะไม่มีเลยนะมีแต่เจาเอ๋เจ๊เอ๋นี่พ่อนะนี่แม่นะส่วนถ้าแม่สอนนะนี่แม่นะนี่แม่นะให้ใจมันอยู่ที่แม่ก่อนแล้วถูกฝึกมาอย่างนี้ตลอดนะเวลาเรียนวิชาทางโลกก็ต้องเรียน สิ่งภายนอกตลอดเลยเพราะฉะั้นมันกลายเป็นเรื่องว่าลึกลับไปเรื่องยากไปธรรมะที่จริงไม่ได้ยากแค่ย้อนกลับมาเรียนตัวเองเท่านั้นเองถ้าถ้าย้อนมามันก็เรียนได้ทุกคน่หละนะอย่างเรียนรู้จิตใจใช่ไหมขณะ น, นี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกหรือจิตใจเราเฉยเฉยเนี่ยในสภาวะหนึ่งไม่อันใดก็อันหนึ่งนหะขณะ น, นี้ถ้าไม่สุขก็ทุกถ้าไม่สุขไม่ทุ ก, ก็เฉยเฉยตอนนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหม เอามือลงใครมีความทุกข์บ้างยกมือสิใครเฉยๆบ้างมีพวกหนึ่งไม่ยกพวกนี้ทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ทั้งไม่เฉยนะถ้ารู้นะจะรู้ได้ไม่ยากหรอกใจเราสุขเรารู้ใจเราทุกเรารู้นะใจเราเฉยๆเรารู้แค่นี้เองที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่อะไรลึกลับหรอกดูไป แล้วก็จะเห็นในจิต ท, ที่สุขมันอยู่ชั่วรคราวจิตที่ทุกข์มันอยู่ชั่วรคราวจิต ท, ที่เฉยๆก็อยู่ชั่วรคราวเวลากโกรธขึ้นมาก็รู้ทันนะจิตมันโกรธแล้วก็เห็นจิตมันโกรธสักครู่หนึง่งความโกรธก็หายไปก็เห็นน่ยความโกรธมันเกิดได้ดับได้จิต ท, ที่โกรธก็เกิดได้ดับได้จิตที่โลภก็เกิดได้ดับได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ว่าเราลาเลยที่จะรู้ถ้าไม่ลาเลยนะคอยใส่ใจเรียนรู้ตัวเอง ค้นคว้าตัวเองโดยเฉพาค้นคว้าเข้ามาให้ถึงจิตใจไม่นานหรอกไม่นานนะจิตจะเข้าใจความจริงเห็นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาจะเห็นตรงนี้ถ้าจิตเข้าใจถึงตรงนี้ได้มันจะรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่มีอยู่เนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นของซึ่งมีอยู่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมันต้องดับไป จิตใจของเรานี้ความรู้สึกทั้งหลายในใจนี้อยู่ช่วคราวแล้วไม่นานมันก็ดับไปจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมาตะไม่มีอะไรคงที่ถาวรมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยจิตที่เข้ามาเห็นความจริงได้ถึงขนาดนี้ต่อไปเวลาเรารเผชิญปัญหาชีวิตนะมันจะไม่ค่อยหวั่นไหวความหวั่นไหวจะเหลือนิดเดียวไม่มากอย่างเวลาเจอความทุกขนะ์เนื้อคนทั่วไปตีโวยตีภายฆ่าตัวตายนะมีความทุกข์มากเป็นฆ่าตัวตาย เปกินเล่าเมายาอารวาดหรือทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองถ้าเราภานาจนเราเห็นเว่าความทุกข์มันก็เป็นของชั่วคราวถ้าเห็นแค่นี้มันไม่ทุกข์แล้วนะมันไม่หวั่นไหวแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปคนทั่วไปเวลามีความสุขมันหลงระเริงมันเพลินมันหลงระเริงเราไม่หลงระเริงเราก็รู้อีกความสุขมันของชั่วคราวพอมันรู้อย่างนี้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะ ใจมันไม่เพลิดเพลินนะไม่หลงถ้ามันคิดว่าความสุขนี่ต้องอยู่กับเราตลอดกาลนี่ยมันหลงแล้วพอความสุขหายไปนะมันทุกข์ทรมานเนี่ยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะจนกระทั่งมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะที่ผ่านเข้ามานี่มีแต่ของที่ผ่านมาผ่านไปถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจมันจะกระเพิ่อมบั่นไหวน้อยไม่ถึงขนาดไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะมันยังไม่ใช่ภูมิของพระอรหันต์ ฟูมธรรมที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสีนั้นดับนี่เป็นฟูมธรรมระดับธรรมะขั้นต้นเท่านั้นเองแต่ได้ธรรมะขั้นต้นนี่ความทุกข์ก็จะหายไปจากชีวิตเรามากมายแล้วเพราะกิเลสตัวร้ายเลยก็คือตัวที่โง่คิดว่าตัวเรามีจริงๆมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็เลือกไม่ได้เลยนะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามเชื่วก็ไม่ได้มันจะรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้เมื่อตัวเราไม่มีนะมันมีร่างกายแต่มันไม่ใช่ตัวเรามีจิตใจแต่มันไม่ใช่ตัวเราเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายเกิดที่จิตใจมันจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปมันจะเป็นกายทุกข์ใจทุกข์คือขันมันทุกข์แต่ไม่มีคนเป็นทุกข์ไม่มีเราที่เป็นทุกข์อีกต่อไปถ้าฝึกได้อย่างนี้นะความทุกข์จะหายไปเยอะเลย นี่ในทางธรรมะเนี่ยมันมีภูมิธรรมพระอริยะบุคคล4ีสระดับโสดาบันสกคาคามีนาคาคามีพระอราหันต์ได้โสดาบางคนก็มากง่ายบอกว่ากิเลสหมดไปหนึ่งในสี่พวกนี้คงคิดเลขได้แค่บัญญัติสัยอย่างไม่รู้จักอัตราเร่งอัตราก้าวหน้าอะไรย่างี้ไม่รู้จักนะคิดได้แค่บั ญ, ญยัติสัยที่หมดไปยีห้าเปเตื้นเกินไปนที่จริงหมดไปเยอะเลยแต่หมดในส่วนหยาบ ตอนหยาบๆเนี่ยตัวร้ายเลยที่ก็คือความลงผิดว่ามีตัวเรามันรู้ความจริงแล้วว่าชีวิตนี้เหมือนฝันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจออยู่ตอนเนี้มันเหมือนเรากําลังฝันอยู่เวลาเราฝันเราคิดว่าจริงไหมเวลาเราฝันนึกออกไหมเราก็คิดว่าจริงใช่ไหมเจอผีก็ผีจริงๆรเจอสัตว์ประหลาดก็สัตว์ประหลาดจริงๆเจอศัตรูก็ศัตรูจริงๆตอนฝันเนี่เราก็คิดว่ามันจริงนะแล้วเรารู้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้ฝันอยู่ เราคิดเหลือว่าชีวิตเนี้เป็นของจริงอยู่ น, ะนี่ยเราจะค่อยๆมาเรียนนะค่อยๆมารู้นะจนเรารู้เลยว่าชีวิตนี้เหมือนภาพหลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ําฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําที่ใช้ถูตัวนะจรงอย่างเวลาฝนตกไปที่พื้นมีฟองน้ําขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมมือนเป่าลูกโป่งเอาสบู่มาตีเป่าออกไปเป็นเดี๋ยวก็แตกนชีวิตนี้แตกง่าย อยู่โรงพยาบาล น, นี้จะเห็นนะชีวิตนี่แตกง่ายสือึกหน่อยเดียวสำลักนิดเดียวตายเลยก็มีนะหายใจไม่ออกแป๊บเดียวก็ตายแล้วไม่หายใจห้านาทีก็ตายแล้วตายง่ายมากเลยแต่ละคนบอบบางมากพระอารหันต์สมัยพุทธกาลนะถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตเราเนี่ยบอกเหมือนหม้อดินรู้จักหม้อดินไหมเดี๋ยวนี้เราใช้หม้ออลูมิเนียมใช่ไหมไม่ค่อยแตกมีแต่บุบบุบแล้วข้อข้ อ, อามันก็ใช้ได้อีกนะ แต่ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินหม้อดินกระทบอะไรนิดเดียวก็แตกตัวเราเนี่ยกระทบอะไรหน่อยเดียวก็ตายแล้วละ่ะร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายถูกมีดถูกอะไรก็ตายไม่ถูกอะไรเลยนะหายใจไม่สะดวกก็ตายกินแล้วกินไม่ลงก็ตายกินลงแล้วถ่ายไม่ได้ก็ตายมันตายง่ายนะเนี่ยถ้ามันเข้าใจความจริงของชีวิตนะั้นมันจะไม่ค่อยรู้สึกหลงใหลร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะ ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรายืมเข้ามาใช้ยืมจากอะไรเดิมก็ยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละเครื่องเซลล์ได้ขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็อาศัยอาหารอาศัยน้ําอาศัยอากาศอาศัยทรัพย์สินของโลกนั่นเองคือวัตถุทั้งหลายในโลกนี้เองมาประกอบกันขึ้นมาจนมีตัวโตๆอย่างเนี้ยตัวโตๆอย่างเนี้ยนะตายง่ายมากเลยไม่ได้ว่าอยู่ได้ทนทานอะไรนักหนาแป๊บเดียวก็ตายละอย่างหลวงพ่อนั่งเทศอยู่เนี่ยคนมาฟังเยอะนะ ล้วหลวงพ่อก็พบจังนะว่าตายไปเยอะแล้วที่ฟังแล้วอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะพวกเราไม่แน่นะว่าคนต่อไปในห้องนี้คือใครรู้ไหมว่าคนต่อไปคือใครอยากให้ชี้ไหมชี้ได้นะแต่จะถูกรึเปล่าไม่รู้จะยากอะไรที่ชี้ส่งเดชเงี้ยมันไปเชื่อพวกงมงายนะมันหลอกเอา รวมความก็คือชีวิตนี้นะไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจนี้ก็เป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลาควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจเพราะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเข้าใจได้นะกิเลสตัวร้ยร้ายเลยเริ่มตั้งแต่สักยทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวเราจะถูกถอนออกไปถ้าตัวนี้ถอนนะ สุดท้ายทุกคนที่ตัวนี้ถอนแล้วเนี่ยสุดท้ายจะต้องเป็นพระอรหันต์มันยากตัวแรกนี้แหละเพราะฉนั้นระหว่างการเป็นพระโสดาบันกับการเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระโสดาบันยากนะเพราะปุถุชนเนี่ยไม่ใช่ปุถุชนทุกคนจะเป็นโสดาบันได้แต่โสดาบันทุกองค์เป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ได้เฉะั้นการเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะฉั้นงานที่ยากที่สุดอยู่อันแรกนี้แหละ หลังจากนี้ง่ายแล้วล่ะเนี่ยให้กําลังใจฟังแล้วฮึ่บไหมเออถ้าฟังแล้วโอ้อันแรกยากหรอท้อแท้ถ้าท้อแท้ก็ต้องจมในความทุกข์เรื่อยๆไปนะมันเหมือนเราตกน้นะําเนี่ยท้อใจไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนก็ต้องจมน้นะําตายแหละนตกน้ําลงไปก็พยายามค่อยๆว่ายน้ําไปค่อยๆสังเกตไปเหนื่อยก็นอนหงายตีกันเชียงไปหาทางพากเพียนไป วันหนึ่งมันก็จะเห็นนะว่าทางรอดมันอยู่ที่ไหนการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะการปฏิบัติเนี่ยคอยสังเกตแค่จิตใจของเราอย่างเดียวนี้ยังพอเลยสังเกตลงไปจิตใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตจนหายโงอรู้ความจริงเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสุข ก, ก็ได้เองสุกเกิดเองทุกข์เกิดเองดีเกิดเองชั่วเกิดเองเกิดแล้วก็ดับได้เองด้วยเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธเคยม แล้วโกรธไหมโกรธยิ่งตั้งใจว่าจะไม่โกรธนี่ยิ่งโกรธเร็วเลยเพราะคอยจดจ่อคนนี้มาล้วจะต้องไม่โกรธมันตั้งใจไว้ยังไะแป๊บเดียวก็โกรธแล้วเพรามันเครียดตั้งแต่แล้วมันตั้งใจแล้วเคยไหมตั้งใจจะไม่รักเรารักอ่ะเคยไหมตั้งใจจะไม่ซื้อเราซื้ออ่ะตรงไม่ไม่รักเรารักนี่นะยังไม่ค่อยไปยักหน้านะแต่พอไม่ซื้อเราซื้อนี่เพียบเลยนะเคยไหมในบ้าน่ะของที่อยากได้มากๆเลยซื้อมาแต่ไม่เคยหยิบเลย มีไหมที่บ้านเอาไปแจกคนอื่นได้แล้วล่ะไม่ได้ใช้หรอกนะ <c oughs> ให้คนอื่นเขาใช้บ้างนี่เรามาเรียนรู้ความจริงนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยของชั่วคราวดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเมื่อวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันรู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกมันเหมือนฝันอยู่เหมือนภาพลวงตาอยู่งั้นอย่างศัตรูเราเนี่ยก็แค่ฝันว่าเขาเป็นศัตรูคนที่เรารักเราก็แค่ฝันว่ารักกัน สุดท้ายมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองเนี่ยพยายามเรียนนะพยายามเรียนพยายามรู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจาเข้าใจแล้วคาว่าเข้าใจนี่ดีนะไม่ใช่เข้าสมองนะเข้าใจถ้าเข้าถึงใจแล้วมันไม่ลืมเข้าสมองเราลืมสมองมันเสื่อมบางคนก็แก่แล้วก็เสื่อมบางคนเสื่อมก่อนแก่สมอง พึงพาไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่หายถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะข้ามภพข้ามชาติได้นะอย่างบางคนตั้งแต่เด็กๆกรู้สึกเลยเราเป็นใครทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าใจนะมันเคยฝึกเจริญปัญญามานะเคยฝึกเรียนรู้มามันจะเริ่มถามตัวเองกลับมาเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปนะอย่าได้โสดาบันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีก ชาติหน้าต้องไปเกิดอีกนะเกิดแน่นอนนะลืมธรรมะไปนะแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบแรงๆนะโดยเฉพาอารมณ์ที่ตกใจอารมณ์ที่กลัวอารมณ์ตะกูลโทสาอะไรเนะี้ยมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายถ้ามีอะไรมากระทบแรงๆนะความตื่นพลงภายในมันจะเกิดขึ้นใจมันจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยมันจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปหรอกเวลากระทบอารมณ์แรงๆก็คลุ้มคลั่งไปเลยหรือตกใจไปเลยสติแตกไปเลย คนซึ่งเคยฝึกข้ามภพความชาติมาเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบให้ตกใจนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วก็จะดูโรมาจะไม่มีเราจะไม่มีเราแต่บางทีจิตก็แสดงอาการตัดให้ดูนะควรให้ดูว่ามันตัดแบบนี้นะตัดแบบนี้นะแล้วเนึกว่าตัดใหมท่ที่จริงไม่ได้ตัดใหม่หรอกตัดเก่าแล้วเขาแสดงขึ้นมาให้ดูก็รู้วิธีการก็พอวนาของตัวเองไปได้ ยังไงวันหนึ่งก็ต้องนิพพานถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องยากนะมันยากอยู่ที่เริ่มต้นฝืนความรู้สึกนิดนึงเรียนรู้ตัวเองให้เยอะขึ้นไม่ไม่ใช่เอาแต่หลงสิ่งภายนอกสนใจคนอื่นไม่สนใจตัวเองฟังเสียงสนใจเสียงที่ได้ยินไม่สนใจจิตใจตัวเองตามเมาเห็นรูป สนใจรูปที่มองเห็นไม่สนใจจิตใจตัวเองจมูกได้กลิ่นสนใจกลิ่นไม่สนใจจิตใจตัวเองลิ้นกระทบรสนะสนใจรสนะไม่สนใจจิตใจตนเองสิ่งมาสัมผัสร่างกายเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองเราสนใจเรื่องราวที่คิดไม่สนใจตัวจิตใจของเราความรู้สึกแท้ๆของเราเราไม่รู้สึกเลยไม่สนใจ เนื้อหัดมารู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆากเรียนรู้ตัวเองมากๆแล้วต่อไปวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเองความจริงความจริงเบื้องต้นตัวเราไม่มีตัวที่มีก็คือกายนี้ใจนี้ตัวรูปนามตัวขันหนะ้านะถ้วปัญญาเกิดต่อไปอีกมก็จะเห็นเลยไอ้ตัวขัดห้านี้จริงจริงแล้วเป็นตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปน้ำจะเห็นกายก่อนนะ เปนกายเป็นตัวทุกข์ก่อนวางกายได้นี่เป็นภูมิธรรมของพระนักขานะแล้วขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอย่างนี้อันแดนหนึ่งเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอันแดนหนึ่งเรียกว่าเห็นทุกข์ละถ้าเห็นอย่างนี้ได้ถึงจุดสุดท้ายจิตจะปล่อยวางจิต จิตไล่ยวางจิตแล้วท่าจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไดนะ้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะที่คนธรรมดาจะทําได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดให้คนธรรมดาทําไม่ได้สายทอดให้ซูเปอร์แมนทำหรอกนะงั้นพวกเราก็มีโอกาสาที่จะทําได้คนสมัยพุทธกาลเนีไม่ได้โง่ไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะระดับสมองพอๆกันแนะไม่ได้เก่งกว่ากันไม่ได้ด้อยกว่ากันหรอกนะแต่ว่าเขา เขาสนใจพระเจ้าแสดงธรรมเขาตั้งใจฟังแล้วเอาไปลองปฏิบัติดูนี่เขาใช้เวลาไม่นานพวกเราทุกวันนี้ถูกสอนให้คิดมากได้ยินธรรมมาว่าให้ปฏิบัตินี่ให้ดูจิตดูใจดูความรู้สึกเลยไม่ต้องเริ่มถามนดูยังไงโอ้เรื่องมากดูยังไงบางทีครูบาอาจารย์ใช้วิธีด่านะด่าเขาโกรธขึ้นมาแล้วโกรธแล้วรู้สึกไหมนสอนอย่างนี้นะสอนดูเดือน เคยมีผู้หญิงพวกระดับพวกคุณหญิงคุณนายไปบอกครูบาอาจารย์บดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะเนี่ยคุยอวดนะว่าเป็นพระนักขาดิฉันไม่มีความโกรธแล้วคว่ะแทนที่ท่านจะเหลออนุโมทนานทํานไมว่านะบอกอีตอแหลโอ้โหพระนัะานากขาเต้นผาขึ้นมาเลยนะเรียกกิเลสซ่อนนะ ค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปอยู่เชื่อมันค่อยๆรู้ค่อยๆดูเอาเดี๋ยววันหนึ่งถอนมันออกไปจากใจเรากิเลสตัวร้ายที่สุดเลยนะไม่ใช่ความโกรธความโลภหรอกนะกิเลสตัวร้ายที่สุดคือความหลงความห ล, ลงผิดเบื mm ้องต้นเลยตัวแรกที่หนึ่งเลย ส, สักยัทิทีิก็ mm hmm. เป็นความหลงผิดความหลงผิดของใจเห็นว่ามันมีตัวมีตนจริงตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวอวิชา วิชานี้เป็นความหลงผิดว่ารูปนามนี้เป็นของดีของวิเศษกายใจนี้เป็นของดีของวิเศษถ้าพาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะรู้กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์พวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างใช่ไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมถ้าเป็นพระนาคาจะไม่รู้สึกอย่างนี้ถ้านาคาจะรู้สึกร่างกายนี้ทุกข์มากกับทุกน้อยพว่าเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้าง ถ้าาหารจะไม่รู้สึกถ้าทหารจะรู้สึกว่าจิตใจนี่เป็นทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจะกลับข้างกันไปหมดนะความรู้ความก็เห็นพอท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้นล้นนี่ท่านจะไม่ยึดถือของเราเห็นว่ายัางสุขบ้างทุกข์บ้างได้ได้มีทางเลือกมีทางเลือกจิตจะดิ้นรนนั้นอย่างเวลาร่างกายเป็นทุกข์นะเราก็ดิ้นรนทาไงจะหายร่างกายมีความสุขก็ดิ้นรนทาไงจะรักษา แต่พระนาคาเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยนะก็วางไปเพราะฉนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายท่านไม่หวั่นไหวนะใจท่านสบายนะถ้าภูมิทําสูงขึ้นไประดับพระรหันทรนะระดับพระรหันทรก่อนจะบรรลุพระรหันทรนะท่านเห็นจิตเป็นตัวทุกขนะ์แล้วท่านปล่อยวางจิตสภาวะมเคยเห็นลูกโป่งไหมลูกโปกสวรรค์นะทำไมเรียกลูกโป่งสวรรค์นีย่ยเพราะมันอยู่เมืองมนุษย์แท้ๆนะ แค่มันลอยได้ลูกโป่งข้างในมันอัดแก๊สไว้ใช่ไหมเวลาลูกโป่งแตกนะแก๊สมันกระจายออกไปกระจายไปมันไม่มีขอบเขตที่มาขังมันไว้จิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าทําลายอวิชชาลงไปแล้วทำลายอาสวะกิเลสลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่มาขังจิตไวเนะจะจะกระจายตัวเต็มโลกธาตุเลยนั่นจะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา จะไปได้ไงไม่มีที่จะไปแล้วเต็มไปหมดแล้วสภาวะที่จะกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่มีหลวงปู่ดูลเคยสอนสอนหลวงพ่อไว้นานนักหนานะตั้งแต่ปีสองหท่านสอนไว้บอกว่าภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าจิตเนี่ยนะจิตตัวแท้เนี่ยไม่มีรูปลักษ์ภายนอกไม่มีรูปรักษ์อย่างพวกเราจะมีรูปรักษ์นะมีขอบมีเขียนมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมา แต่ตรงที่ท่านเห็นจิตเป็นทุกข์แจมแจ้งแนละ้วท่านวางจิตนะปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยคล้ายเปลือกที่ห่อหุ้มอยู่แตกสลายไปอาสวะกิเลสถูกทำลายคําว่าวิมุตติความหลุดพ้นนะก็คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หลุดพ้นจากอื่นเลยหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่นะเะนั้นจิตจะขรจายไม่มีขอบเขตภายนอกไม่มีรูปรักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวมีนะ ของเราภายในมีความเคลื่อนไหวเคลื่อนยีๆๆๆ่ยิยยดูออกไหมใครเห็นจิตมันไหวอยู่กลางหน้าอกบ้างรู้สึกบ้างไหมลองยกมือซิมีไหมรู้สึกไหมมันไหวทั้งวันเลยกระเทือนตลอดเลยนะบางคนไม่ได้เห็นกระเทือนนะนเห็นมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาตลอดเลยบางคนเห็นมันหมุนเห็นยังไงก็ได้น่วมความแล้วก็คือวัฏตะมันหมุนติ้วติ้ติ้อยู่กลางใจเรานี่เองอยู่กลางหน้าอกนี่เองถ้าเป็นพระอรหันต์ตัวนี้จะไม่มีนะ พวกที่เห็นมันฝุดขึ้นมาหรือมันหมุนขึ้นมาหรือมันกระเทือนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันทุกข์รู้สึกไหมออแล้วพ้นมันได้ไหมพ้นไม่ได้ะพ้นไม่ได้ทุกข์ไหมทุกข์ทำไมยังพ้นไม่ได้ทุกข์ไม่พ อ, อยังดูไม่พอเรียนรู้ความจริงไม่พอถ้าเรียนรู้ความจริงพอนะจิตจะหลุดออกมานะจิตจะปล่อยออกมาแล้วแปลสภาพไปเป็นธาตุนะ เป็นาธาตุที่บริสุทธิ์เป็นาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ต้องฝึกนะธรรมะของผู้เจ้าไม่ใช่ของคุยเล่นเรียนให้รู้ทางแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลด้วยตัวของเราเองไม่ต้องถามคนอื่นหรอกจะรู้ผลด้วยตัวเองเลยเบื้องต้นมันก็จะรู้เลยว่าจริ ง, รงๆแล้วตัวเราไม่มีนะชีวิตนี้เหมือนฝันอยู่แท้ๆเลยในเบื้องตอนอ้นจะรู้สึกอย่างนี้เบื้องปลายมันจะเห็นเลยโลกนี้นอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้ว กายนี้ใจนี them, like like really, them, come, ้มีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็พ้นแล so ้วล so no ่ะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นะถ้ายังไม่รู้ทุกข์จริงก็ไม่พ้นทุกข์อย่างเรารู้สึกกายเนี่ยกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ทุกข์ยังรู้ไม่พอเราดูจิตดูใจรู้ว่าจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างนี่ยังรู้ไม่พอเรียกว่ายังไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ก็จะถึงธรรมนะถึงอมตะธรรมธรรมที่พ้นจากทุกข์จริงๆพ้นจากลกจริงๆ สภาวะ น, นี้มีอยู่ะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เป็นยูโทเปียที่พระพุทธเจ้าเอามาหลอกให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเราเป็นคนดีศา ส, สนาพุทธไม่ได้มุ่งสอนให้คนเป็นคนดีหรอกตื้นเกินไปท่านสอนให้เราปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้วัตถุปร ะ, ะสงค์ของศาสนาพุทธนะฝึกไปเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่เพื่อเป็นแค่คนดีเพราะะั้นท่านไม่มาหลอกเราหรอกว่า นิพพานมีจริงสวรรค์มีจริงเพื่จะหลอกให้เราเป็นคนดีรศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งมาที่เป็นคนดีเอ้ mm hmm. คนดีเนี่ยเป็นของแถมเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติแล้วมันดีเองไม่ชั่วไม่ได้เพราะมันมีสติถ้ามีสติไม่ชั่วไม่ได้หรอกเป็นแค่ของแถมจุดสําคัญคือการรู้เห็นความจริงเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงแล้วเข้าถึงได้ก็พ้นทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์มีสองคำนะพ้นทุกข์ตัวหนึ่งนะดับสนิทแห่งทุกข์ตัวหนึ่ง พ้ทุกเนี่ยเป็นสภาวะตอนที่จิตหลุดพ้นเป็นบรรลุพระอรหันต์นะเรียกว่าสัพปะที่เสสนิพานจิตหลุดพ้นจากขันไม่ยึดถือขันแนละไม่ยึดไม่ยึดขันนะอาสวะกิเลสหอ่อหุ้มปกคลุมไม่ได้ละจิตพ้นจากทุกคือพ้นจากการยึดถือในรูปนามในกายใจนี่กายใจนี้คือตัวทุกพอจิตพ้นจากกายใจนี่เรียกว่าพ้นทุกแล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่ขันแตกดับนะเรียกว่าวันดับทุกเนะ เรียกอนุปาทิเศ ส, สนิพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะอยู่ที่พวกเราอะกล้าพอที่จะเรียนรู้ตัวเองหรือเปล่าจะเรียนรู้ตัวเองนะจะถอนสิ่งสปกปรกคือความโง่เขลาทั้งหลายออกจากจิตถ้าถอนออกได้จิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะจะเข้าถึงอมตะธาตาาธุอมาตะธรรมไม่ทุกยากไปไหมยากไหมใครว่ายากยกมือสิ ใครว่าง่ายชีโมฟังง่ายนะทำยากนะแค่จะคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆมัยังยากเลยใช่ไหมชอบใจลอยใครใจลอยบ่อยเห็นไหมสารภาพแล้วผู้ร้าย mm hmm. ย, ยังมาบอกว่าปฏิบัติง่ายใจลอยปฏิบัติไม่ได้นะงั้นรู้สึกตัวบ่อยๆนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนวิธีหลอกล่อให้จิตรู้สึกตัว ครับซึ 2, ่งอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการรู้อินรียาบทรู้การเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้รู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็ได้รู้แล้วค่อยรู้ทันจิตะหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งก็รู้ต่อไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้หายใจไปหายใจไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ทันว่ามีความสุขแล้ว หายใจไปอีกอ้าวความสุขหายไปแล้วกลายเป็นอุเบกขาเนี่ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวไม่ได้เห็นความจริงงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ทําอะไรเลยอย่ามาคุยวนเลยทํายากนะต้องทําสักอย่างหนึ่งไม่งั้นทําไม่ไหวหรอกทํากรรมฐานสักข้อหนึ่งอย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตใจไป จิตใจสุขก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้ไม่ใช่ว่าหายใจแล้วต้องสุขนะไม่ใช่ว่าหายใจเราต้องดีนะไม่ใช่หายใจแล้วห้ามชั่วนะหายใจไปดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกอย่างนี้ชั่วคราวเพื่อเข้าใจธรรมะเบื้องต้นรู้ต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ทุกข์ยิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขนะ อย่าไปกลัวบางคนกลัวรู้ทุกข์มากๆนะจะเครียดจะมีความทุกข์จะจมในความทุกข์ไม่จมหรอกยิ่งรู้ทุกข์ก็ยิ่งมีความสุขเพราะจิตมันคลายออกจากโกใคลายออกจากทุกข์ยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขแต่ความสุขเป็นของแถมนะไม่ใช่ของเป้าหมายแค่ของเล็กๆน้อยๆความสุขเป็นแค่ของแถมเะนั้นความดีก็เป็นแค่ของแถมความสงบเป็นของแถม ความดับสนิทแทงทุกเป็นของจริงที่เป็นเป้าหมายหลักของเราถ้าได้ตัวนี้แล้วนะมันสุขเองมันดีเองมันสงบเองอัตโนมัติยากไหมคราวนี้รีบตอบว่ายากไว้ก่อนกลัวถูกว่าหลวงู่โดโนบอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแสดงว่าไม่ปฏิบัติสิถึงว่ายากถ้าปฏิบัติแล้วไม่ยากหรอกใ่้ฝึกแล้วนะ แต่และ ว, วันทำทุกวันใค่อยๆฝึกไปให้มันใกล้มาผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันปล่อยจิตล่องลอยให้ใกล้ความตายเปล่าๆไม่มีประโยชน์ในโลกทำมหากินอะไรทาไปมีหน้าที่อะไรทาเราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนี่เป็นงานเป็นงานชั่วคราวเพราะอะไรชั่วคราวตัวเราก็ชั่วคราวครอบครัวเราก็ของชั่วคราวแต่งานที่แท้จริง ในวัฏฏะในสังสารวัฏนี่คืองานยกระดับใจให้พ้นจากทุกข์ให้ได้นี่คืองานหลักนะงานอื่นๆเป็นแค่อาศัยเท่านั้นเองทํามาหากินได้เงินมาเอาไปใช้ถึงเวลาก็ต้องไปทํางานอีกหาเงินมาก็ใช้หมดไปอีกก็แค่ดํารงชีวิตยอยู่ไปเท่านั้นเองพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วละ่ะทุกวันนี้พออยู่พอกินยังลําบากเลยพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วแล้วก็พัฒนาใจของเราให้ดี ใจเรามีความสุขนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่หวั่นไหวหรอกแจ่แก่จะเจ็บจะตายจะพลาดพลากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักไม่หวั่นไหวฝนะึกนะไม่รู้จะว่ายังไงนะได้แต่เชียร์อ่ะขอสมควรแก่เวลากรับนวัต ก, การหลวงพ่อค่ะหนู ม, มีคําถามว่าพอดีว่าตัวเองเป็นคนเครียดอะคะ่ะแล้วก็ จะปวดขมับข้างซ้ายเนี่ยค่ะตลอดเวลาอยากถามเพราะว่าเอออย่างหนูเนี่ยปฏิบัติทําได้ไหมเพราะว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาถ้าจะรู้เนี่ยมันจะต้องรู้เบาๆแต่เวลาหนูรู้เนี่ยคือขมับข้างซ้ายมันปวดพอรู้แล้วมันก็จะไม่รู้รู้เบาๆอะค่ะนิสัยมันจริงจังไปนะทําเล่นๆยิ้มหวานเป็นไหมยิ้มก่อน วันๆเนินไปหัดยิ้มนะไปยืนไปนั่งหน้ากระจกอ่ะยิ้มไปแล้วก็ทำหน้าเบื้องบ้างยิ้มบ้างนะแล้วก็ใคอยรู้สึกไปนางคนนี้ดูตลกดีนี่นะได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติพอเราคิดเรื่องปฏิบัตินะเราจะไปบังคับตัวเองดันทีจิตเคยชินกับการบังคับตัวเองนะไม่ดีเลยบังคับมากๆพอมันเครียดจัดจันทนไม่ไหวสติแตกนะแต่คนเรียนกับหลวงพ่อจริงๆไม่มีหรอก เพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนให้เครียดเครียดสอนให้สบายให้รู้สึกสบายสบายเป็นธรรมชาติเมื่อกี้ใจลอยรู้ไหมใช่ค่ะเออแค่นั้นพอใจลอยได้นะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยนะถ้าห้ามใจลอยจะยเครียดใจลอยบ่อยๆไม่ว่าแต่อย่าใจลอยนานนะักยิ้มหวานเห็นไหมร่างกายมันยิ้มแล้วสังเกตไหมตอนที่ร่างกายยิ้มเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกไป การปฏิบัตินะเอาแค่รู้สึกอย่าไปจริงจังทำเล่นๆ อ, อย่างนี้นจิตตั้งมัน่นวะไม่เรียกว่าตั้งมัน่นอย่างนี้เรียกว่าตั้งแบบขับแขน <laughs> <laughs> ตั้งแบบไม่มีความสุขเลย <laughs> เห็นไหมมันเป็นผู้รู้ <laughs> ผู้ตื่นเหรแต่ไม่เบิกบานเลยรู้สึกไหมไม่ใช่นะจิตตัวเนี้เราบังคับขึ้นมาให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้นะ สุกก็ได้ทุกข์ก็ไ ด, ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ะ <Okay. S 1> ไม่ให้ผิดสี่ห้าเท่านั้นเลยจะ <Okay. S 1> สุขจะทุกข์จะดีจะชั่วปล่อยให้มันเป็นแล้วตามดูไป <Okay. S 1> รู้สึกไปอย่าไปแทรกแซงมัน <Okay. S 1> เห็นไหมตอนเนี้ยใจอยากพูดรู้สึกไหมทราบค่ะเออต้องอย่างนั้นใจมันอยากพูดความอยากมันดันขึ้นมาดูอบอกไหมมันจะถามันั่นแหละมันจะดันขึ้นมา <Okay. S 1> ให้รู้ไป เห็นไหมไอ้ตัวอย่างเนี่ยเกิดได้ดับได้อ่ารู้สึกว่ามันขึ้นมากลางอกอะเออนั่นแหละมันขึ้นมาจากกลางอกอะมันขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปใส่เขียวไหมค่ะเออดูอย่างนั้นแหละนั่นแหละปฏิบัติไม่ต้องถามแล้วยังไม่จบค่ะหลวงพ่เออพอดีว่าทุกวันนี้อะหนูเดินจงกรมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดินแล้วเครียดเลยสิใช่ครับรู้สึกว่าเดินแล้วมันจะปวดสมัติมากเออเดี๋ยวไปเดินอไปเดินช้อปปิ้ง จะเดินช้อปปิ้งนะเห็นอะไนี้อยากได้รู้ว่าอยากแต่เวลาไปเดินช้อปปิ้งนะบัตรเอทีเอ็มบัตรเครดิตอะไรเงินทองไม่ต้องเอาไปเยอะนะแล้วไปไปวัดใจตัวเองใจระอยากได้ขึ้น ม, มันจะดันขึ้นกลางอกเนี้ยอยากได้แล้วรู้ทันแล้วก็เดินไปเจอนนี้อยากอีกแล้วรู้ทันไ ม, ไม่ต้องปฏิบัติในรูปแบบหรอคะเออไม่ต้องตอนนี้ยกเว้นไว้ก่อนถึงทําเดี๋ยวสติแตกนะมัเครียดเกินก็ พอดีปฏิบัติมาประมาณสิบเดือนแล้วค่ะก็ อ, อ, อยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยหนูรู้ตัวได้ถูกหรื อ, อ ย, ยังคะยังเครียดไปก็ให้มันหลั่นล้ากว่านี้นะแล้วให้มันสบายแล้วก็เวลาใจลอยแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะใจลอยใจลอยรู้ว่าใจลอยนะอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติ การปฏิบัติไม่ใช่ว่าการนั่งบังคับกายบังคับใจต้องเดินท่านี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นมีคําว่าต้องเต็มไปหมดเลย mm hmm. ต้องมากๆก็เครียดสิ mm hmm. ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นหรอกนะจิตใจมันเป็นไงก็รู้ไปเนี่ย <Yeah. S 2> สงสัยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออก็แค่นี้เองอ่ะนี่แหละปฏิบัติง่ายเห็นไหมไปรู้ทานความรู้สึกตัวเองเรื่อยๆแตนะ่แค่นี้แหละเรื่องอื่นลืมแม้หมดเลยคลั mm ่าครวญแล้วรู้สึกไหม รู้ค่ะคือจะถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งไม่ใช่ถามธรรมดาจะโอดครวนด้วยน ะ, ะว่ามาคือเวลาที่เดินจงกรมอะค่ะแรกๆที่เดินนะคะหลวงพ่อจะรู้ว่าจิตไหลไปคิดจะรู้บ่อยมากเ อ, อแต่ว่าพักหลังมานี่เดินแล้วจะไม่รู้สภาวะเลยหรือว่าถ้ารู้ก็จะรู้ได้ลางมากอะคะ่ะเรามาเดินซิเดินให้ดูซิ จิตมันเดินเร็วกว่าขาไปนิดหนึ่งมันโลภที่จะเดินให้รู้ทันเเวลาจะเคลื่อนไหวนะก่อนจะเดินรู้สึกตัวสึกแล้วก็เดินสบายๆเดินกลับไปคนนี้ไม่ยอมเสียท่าเดินไปพยายามรู้สึกไปแสดงว่าจิตโลภที่จะรู้ใช่ไ้ยใช่มันโลภมันก็เลยเครียดไป ลบแล้วก็เลยไปบังคับมันอย่างนี้คือเดินให้สบายขึ้นเดินให้สบายนะทำอะไรให้มันสบายๆคนเครียดเนี่ยอย่าไปทำกรรมฐานให้เครียดทำอะไรที่มันสบายๆชอบอะไรบ้างอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะไปดูมีกิจกรรมอะไรที่ชอบอะเราไปทำมันนั้นแหละทำไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปอย่าง<อ>เราไปปลูกต้นไม้นะ ช, บ, ชบเดินจกว่าไม่เอา ตอนนี้เลิกก่อนนะเพามันเครียดไปไปหาอะไรที่เล่นๆอ่ะอะไรเล่นๆทำบ้างหัดเล่นซะบ้างชีวิตจะได้มีความสุขแต่เล่นแบบมีสตินะต้องเดินเอ่อทำสมถะไหมคะับวงพ่อทำก็เพ่งอีกละทำแล้วเครียดก็คือว่าทั้งหมดเลิกไปก่อนเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแหคอยรู้ทันก่อนรู้สึกอย่างเดียวก็พอแล้วอย่างอื่นเลิกไปก่อน S <S 2> <S 2> เดี๋ยวค่อยมาฝึกที่หลัง <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เอาตัวนี้ให้ได้ได้ก่อน <S <S แก้ที่เครียดก่อนน้ำสการนมสัสการเจ้าค่ะเออระยะหลังนิยมรู้สึกเห็นว่ากายมันทุกข์ค่ะจิตก็มีอะไรบีบพันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรอ่ะค่ะมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจงแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคะ่ะอืจน แม้กระทั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมก็รู้สึกว่าจิตหลงคิดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยค่ะถูกจะฟุง้งฟุงแล้วก็มารู้สึกแล้วก็ฟุ้งไปอีกแล้วก็รู้สึกอีกค่ะเพราะนั้นการที่โดนจงกรมกับนั่งสมาธิสําหรับโยมเนี่ยพอเล็กน้อยพอใช่ไหมคะไม่ต้องมากนะคะเราเดินเยอะไม่ไหวแล้วนะเราก็ดูนั่งอยู่ก็รู้สึกไป ทำเล่นๆอ่ะทํสบายสบายค่ ะ, ค, ะคือก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อสองสามวันทุกครั้งนี่จะมีสภาวะให้เห็นคือให้กับว่าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าจิตนี่ไม่ใช่เราหรอกนะเพราะมันคิดได้เองก็มาเกิดเหตุกับกระยาณ น, นมิตซึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะพูดแบบนี้พอเขาพูดเหมือนว่าเรามาปุ๊บเนี่ยตัวตนมันโดดเข้ามาเลยค่ะเออทีว่า <laughs> ทันทีเลยเพราะว่าแล้วเราอะแล้ว หลังจากนั้นมันก็จะไปหดหู่กับความคิดมันก็จะปรุงอยู่ว่าเขาว่าเขาว่าอืเห็นอยู่หลายวันนะคะจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อนั่ยจิตมันคิดได้เองเออถ้าแล้วนี่ไม่ใช่เราคิดนะเออใช่มันก็เลยปล่อยร่องขึ้นมามก็ต้องทําต่อไปยังไม่พอทำทอีกน ะ, ะยังไม่พอยังไม่พอนะคะว่าจิตมันยังเป็นเราอยู่คือเพิ่งเห็นว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเราคือพระรัตนตรยนะะัยค่ะไม่ว่าใครจะบอกให้ให้ส่งเออแชร์ไปจะได้ มีโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ยมรู้สึกว่าไม่ทําแล้วอะค่ะรู้ึกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ทางของเราอะค่ะเลวไหลสิเป่กวนชาวบ้านเขาค่ะก็ก็จะรู้สึกพอแต่ว่าไม่ไม่ไปว่าใครนะคะออรู้สึกว่าที่พึ่งก็คือว่าถ้ามีธรรมะในใจนี่เราจะคุ้มครองใจของเราได้เรจะพ้นได้ไปดูตัวนี้นะมันมีเราซ่อนอยู่ค่ะแม้มันทําอะไรก็เราอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยดีอย่างเนี้ยถูกไหม กระทั่งเนี่ยเราไม่ส่งไม่แชร์ล้วอะไเนี้ยก็ยังมีอยู่นี่มันซ่อนอยู่ค่ะอให้รู้ทันมันไปยิ่งเรารู้ทันกิเลสได้เท่าไหร่นะยิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เร็วเท่านั้นแค่รู้ทันนะคะอค่ะสังเกตไหมว่าไอ้ตัวเราเราเนี่ยมันซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจหมดเลยะมันแนบอยู่รู้ทันมันไปมันจะทิ้งตอนที่มีทุกข์เท่านั้นเองแล้วมันก็จะเก็บมาไว้ใหม่ มันถูกไห้พอค่ะ ก, ก, การกนมัส ก, การการนมัสการหลวงพ่อครับก็ปกติปฏิบัติในรูปแบบก็จะเดินจงกรมอะครับก็รู้ตัวบ้างรู้ว่าไปคิดบ้างหลงบ้างครับส่วนในชีวิตประจำวันก็ว่าส่วนใหญ่ตอนเช้าก็จะมีกําลังเยอะครับก็จะจะรู้ตัวได้บ่อยกว่าแต่พอเริ่มทํางานแล้วก็จะหมดแรงตอนตอนเย็นตอนกลางคืนธรรมดานะตอนเย็นเหมือนนกฝีกหักแล้ว งั้นทํากรรมฐานแะล้วตื่นเร็วขึ้นนิดนึงแล้วภาวนาเช้าๆสบายกลางวันแล้วตั้งใจทํางานไปเย็นทําอะไรไม่ได้ก็ไหว้พระสวดมนต์ไปกมีอะไรแนะนําอย่างอื่นด้วยไหมครับก็สังเกตนะครรู้ทันกิเลสรับดูได้หยัหลายอย่างแล้วล่ะดูออกไห ม, มดูทันมันเรื่อยๆอการเมืองดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่แก่อนติดเพ่งนะ เนนด่นขึ้นนิดน้องสักการ์ครับส่งกับแม่ครั้งแรกครับทำในรูปแบบเป็นสดบนนั่งสวัสดีก่อนนอนแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี้ก่อนนี้จะดูจิตได้ค่อนข้างโอเคครับช่วงหลังๆนี้ดูไม่ออกก็จะมาดูกา ย, อ, ยกอีริยาบอแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังหลงนานอยู่ทั้งวันเลยครับขอคันที่นำต้องใช้ <มา S 1> <อ>ใจหน่อยนะถ้าเราหลงนานแนละ้วมันไปเพลิดเพลินอารมณ์อื่น แล้วคอยเตือนตัวเองกลับมารู้สึกใจรู้สึกใจเตือนตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความทุกข์จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เตือนเตือนมันบ้างเตือนมันมันจะไม่หลงยาวมันจะเพลินเลยอพราะแนะนำวิหารธรรมในชีวิตประจำวดูดูจิตดูใจไปจิตใจมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันดูไปแล้วก็สอนมันไปเรื่อย ถ้ามันลืมมากมากนะเตือนมันไปชีวิตไม่แน่นอนก่อนนี้เหมือนจะเคยแยกขันแต่ไม่แน่ใจว่ามันแยกมันแยกอยู่ไม่ยากอเลยครับขันนะั้มันแยกได้อยู่แต่ตอนนี้มันเออเร่เพราะเริ่มติดเต้นตินเต้นมากเลยตามทำให้ข้า ม, ามแยกอยู่แล้วละ่ะ กับนรสการพระอาจารย์ครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วส่งใ น, นบ้านที่ลุงตลาลลุงชินนะครับโอ้นานจังใช่ครับ <laughs> พระอาจารย์ให้ไปดูว่าตัญหาไม่ใช่ตัวเราอะครับผมเห็นไหมเห็นครับมันเกิดเองเนาะใช่ครับคราวนี้เวลาผม <laughs> อ่าดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมอะครับบางทีตัวรู้ว่ามันอยู่ตรงข้างบนอย่างเนี้ยอืแต่พอมาดูทางความรู้สึกอะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับหลวงพ่าเคยสงสัยนะ ตั้งแต่หลวงปู่ดูลยังอยู่ให้หลวงปู่าให้ดูจิตนะจิตมันเหมือนจิตมันเป็นคนดูมันน่าจะดูตัวนี้เพราะพระุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกทุกมันอยู่ตัวนี้เนี่ยไหมดูตัวไหนวาทําไมหลวงปู่สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะคิดอย่างเงี้ยเอาไว้สังเกตเอาเองก่อนยังไม่ถามรอไปรอมาหลวงปู่บรรณาภาพหนอยอยู่กับครูบาอาจารย์ของอื่นแล้วก็ขยับจะถามอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่ได้ถามจะเอาไปดู นี่จะดูตัวไหนที่แท้ไม่ใช่ซักตัวนะคแค่รู้ว่ามันมีอยู่ตัวนี้อย่ารักษาตัวรู้เนี่ยถ้ารักษาเนี่ยจะติดสมถะที่ร้ายแรงมากเลยแก้ยากมากเลยอย่าไปจับตัวรู้ไว้นะแล้วตัวนี้เวลาเห็นมันทำงานขึ้นมาอย่าถลําลงไปที่เรามีตัวรู้นะเพื่อไม่ให้จิตมันถลําลงไปในวัตฏะตัวนี้ในความปรุงแต่งนี่เองคือนะบางครั้งผมก็รู้สึก พร้อมกันทั้งสองตัวครับแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่นะไม่เจ้ามันใ็่พอมันมีสองตัวเนี้ยตัวนี้ทํางานตัวนี้ดูครับไม่ไม่จงใจนะเดี๋ยวนั้นถึงใช้ได้เพราะมันบางทีมันก็เหมือนรู้ทั้งตัวไปเลยเออรู้ทั้งตัวนะ่นแหละังใก็ได้ใช่ไหมใช้ได้อแต่ไม่จงใจนะถ้ารู้ทั้งตัวแล้วจงใจรู้ก็ไม่ได้นะอใจแข็งแข็งข้าใจแข็งแข็งเนี่ยผิดเลยวิธีวัดว่าถูกอเปล่า ถ้าใจมันทื่อๆขึ้นมาแสดงว่ญญาปลอมครับผมแล้วเวลาตอนทําในรูปแบบอย่างเงี้ยผมดูลมหายใจนะครับผัดํามันอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้บางทีมันเหมือนกับแยกออกไปอีกนิดนึงนะครับเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยเวลาต้องการกําลังนี้ทําอย่างนั้นได้ไหมครับได้อย่างนั้นเป็นสมถะนะรเราดึงดึงจิตขึ้นมานิดหนึ่งให้มันตั้งมั่นแรงขึ้นมาครับผมเป็นสมถะใช้ได้<น>แต่ต้องระวังอย่าเคยตัวนะงั้นเดี๋ยวตั้งแล้วทรงค้างอย่างนั้นไม่ดี อ๋อแต่ถ้าเป็นในรูปแบบเวลาต้องการกําลังนี่ทําได้ใช่ไหมทำเป็นครั้งคราวได้แต่ระวังติดถ้าติดแั้วจะเป็นเมือยงตอนเนี้ยมันจะทรงอยู่อย่างนี้เลยอืมตอนนี้ผมตอนนี้ผมติดอยู่ใช่ไหมครับใช่เนี่ยและอย่างนี้ครับอย่างถ้าผมยิ้มอย่างนี้มันไม่ยิ้มจริงครับเห็นไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่อืมครับถ้าถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวนะ แต่ตัวรู้เนี่ยยังนิ่งอยู่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนี่นแสดงว่าติดตัวละครับตัวเนี้ยเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ถ้าสังเกตจะไม่ยากเท่าไหร่ครับ อ, อ๋อแล้วถ้าผมแก้โดยการเช่นแบบเนี่ยผัดเท้าอยู่ตอนอย่างเงี้ยครับชิดใจแก้แล้วมันไม่หลุดง่ายไม่หลุดใช่ไหมครับอือต้องเผลๆบ้างรู้สึกไหมการนั่งตอนนี้มันยังไม่หลุดเลยใช่ครับแล้วปกติเป็นอย่างนี้ไหมหรือเฉพาะตอนที่เจอหลวงพ่อ คือลืมตาตื่นมามันก็โอ้ติดนี่แหละติดติดสมถะเหรอครับนี่แหละสมถะแหละจะ่ตั้งแต่ผมกราบหลวงพ่อเมื่เจ็ดปีที่แล้วผมก็เลิกนั่งสมาธิเลยนะครับแสดงว่าติดมาแต่ชาติก่อนคือจะใช้แบบออกกําลังกายวิ่งสายพานคืออ่าไปคิดว่าจะแก่สิเหรครับตทงที่เราคิดว่าพยายามจะแก้นะไม่หายหรอกเล่นๆอ่ะทําเล่นๆสักบ้างอย่าซีเรียส ตอาเล่นๆนะให้ใจมันสบายให้มันผ่อนคลายเนี่ยพยายามจะแก้อีกละรู้สึกไหมรู้สึกครับไม่เอาเลยเลิกเลยความพยายามเนี่ยทําให้ติดอือันนี้ก็เป็นตัญหาตัวหนึ่งใช่ไหมใช่อยากแก้ให้รู้ที่อยากแก้นะให้รู้ที่อยากแก่รู้ว่าติดรู้ว่าอยากแก้แค่นี้พอละไม่ต้องแก่ต้องใจกล้านะจําได้ไหมรู้ว่าติดอยู่ติดอยู่โดยได้ไงใจจะทื่อ รู้ว่าอยากแก้ความอยากดับรู้อยากเป็นกลางตัวนี้เองก็ไม่เที่ยงครับถ้าเราภาวนานะ่ยทุกอย่างไม่เที่ยงเลยนะเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวเดียวคือตัวรู้เนี่ยไม่มีทางขาดเลยเพราะว่าเวลาที่จะได้โสดาเนี่ยรูปไม่เที่ยงใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงครับถ้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงไว้ ไม่ขาดหรอกแล้วถ้าเกิดแบบเหมือนเผลอมองเผลอคิดและเห็นตรงนั้นถูกใช่ไหครับตรงนั้นถูกเผลอแล้ว ร, รู้ว่าเผลอถ้าถูกเป๊ะเลยตอนนี้ของคุณปัญหาไม่มากแล้วละ่ะนะครับมันมันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งแล้วตอนนี้ครับแล้วก็ให้รู้ทันใจที่อยากแก้ครับผมแค่นี้พอละแล้วที่เหลือมันเป็นเองครับมไม่ยากแล้วละ่ะ มันอยากตรงที่ว่าเพ่งอยู่ไม่รู้ว่าเพ่งอยากอยู่ไม่รู้ว่าอยากครอย่างนั้นแกไม่ตกหรอกเพราะตันหาเป็นผู้ตัวสร้างภพตันหาอะไรที่มันสร้างภพของผู้รู้ขึ้นมาตันหาอยากดีอยากปฏิบัตินี่นะพออยากดีอยากปฏิบัติมันก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมารู้สึกไหมมันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงผมรู้ผมคลายมาได้เยอะแล้วครับเจ็ดปีที่ผ่านมาใช่คลายลงไปเยอะแล้วล่ะ เหลืออยู่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตและรู้ว่าอยากแก้ครับผมเนี่นะไปดูเอาอให้คนอื่นมากเขากลัวจะแย่อยู่แล้วมันสกัดครับหลงคอครับนี่ส่งการบัานครั้งแรกครับมผมก็ฟังซีดีหพ่อมาพักใหญ่ๆหนึ่ัเหมือนกันดูตัวเองก็ตัวเองติดน่าจะติดเพลงแล้วก็ติดนิ่งๆเฉยๆแข็งไปเยอะครับ ก็ไม่รู้จะทาไงหายใจออกให้ตัวเองสบายๆมันมันก็ยังกลับมาแบบเคริ้มๆนั่งสบายอยู่เหมือนเดิมอะครับอะนั่งเล้วเคลิ้มๆเหรอครับนั่งแล้วแบบอัแ<ต> น, นแรกเริ่มขึ้นไปกวาดบ้านถูบ้านอืไปหางานทํานะกรรมฐานไม่ใช่ต้องนั่งงุ้ตงุ้งุ้อยู่นะครับทํางานไปนี้แหละใช้ร่างกายทํางานนะแล้ว ม, มีสติไปเรื่อยๆอดีกว่าไปนั่งงุ้ตงุ้ตลดทื่อไป ต้องแก้แล้วล่ะติดติดเจอนานด้วยครับเออนะ้าไปทํางานนะบ้านเรากวาดเสร็จแล้วก็กวาดหน้าบ้านเออ <c oughs> ทํางานไปเรื่อยๆนะระวังรถเฉียวเท่านั้นแหละอืมและอีกอย่างหนึง่งอย่างตอนผมขับรถเนียครับขับๆไปแล้วมันเหมือนมารวมกันรู้ว่าตัวเองขับรถนะครับแต่ว่าแบบเออมันอยาให้ใจมันทื่อๆขึ้นมานะครับ มันรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยอันตรายนะมัเหมือนจะไปชนข้างหน้าต้องขยับมือให้รู้สึกรู้สึกตัวเออถ้าขยับไม่พอตกหน้าอย่างนี้น่ะปลุกให้มันตื่นนะเนี่ปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาอย่าให้มันไปล็อกอยู่นะอันตรายมากเลยย <c oughs> ิ่งขับรถนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งขับรถแล้วจีนไปล็อกนิ่งๆอย่างเงี้ยเห็น <c oughs> ไฟแดงนะสักแต่ว่าเห็นค <c oughs> ิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ สักว่าเห็นโชนทีเดียวห้าคันเลยที่จอดวางอยู่เพไม่แปลสักว่าเห็นใจไปติดทื่อๆไม่ได้นะอย่างนี้ก็พยายามหากิจกรรมทําแล้วก็หาอะไรทํานะแล้วก็รู้ตัวแล้วคอยรู้สึกเป็นร่างกายมันทำงานเห็นใจมันทงานอดีกว่านั่งปฏิบัติงุๆไปนะไม่ดี่ครับอย่างเดินตุ่กลมนี่เดินไม่ได้ครับเครียดรู้สึกเครียดแล้วไปเดินไม่ไดังคับร่างกาย นะเป็นกวาดบ้านนั่นแหละแต่อยา่าไปตั้งใจกวาดมากนะั้นเครียดอีกนะกวาดอย่างนี้ไม่ได้นะทำอะไรที่มันมีความสุขบ้างร้องเพลงเป็นไหมเห็นอะไร้องสักเพลงสิ <c oughs> รู้สึกแม่ใจตอนนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันครับใจอย่างนี้ถึงจะถูกนะอ่ะสอบใหม่ บอกให้ร้องเพลงนะใจคลายปุ๊บเลยน้านการาหลวงพ่อคะอ่ะอย่าไปรวบมาเมื่อกี้หลุดออกมาแล้วอย่าไปดึงคืนมาเนี่ยทับท่านี้มันกลับมาเออกระดูกระดิ่งไหมยิ้มหวานหันไปยิ้มกับผู้หญิงข้างหลังเ น, นี่ยเนี่ยใจอย่างนี้ถึงจะถูกนะใจอย่างเนี้ยเป็นธรรมตาอธรรมชารหลวงพ่อค่ะ ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาได้7จดเดือนโชคดีที่เจอความทุกข์จนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปฏิบัติทำแล้วก็ะระหว่างวันหนูงานของหนูว่าเป็นงานที่ที่ต้องยกเดินหยิบบริการผู้ได้สารนะคะหนูก็ใช้กำหนดอิเลบทย่อยระหว่างวันทำไปค่ะแล้วก็พาลานั่งนิ่งๆก็จะบริกรรมเมตตาคูณแห่งเมตตาแล้วก็พยายามคอยรู้ทัน จิที่มันไหลไปคิดค่ะแล้วพอตอนกลางคืนหนูก็จะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติตั้งแต่วันแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็ตั้งใจแล้วว่าจะขยันทําตั้งใจทําอยากทําทุกวันเลยค่ะวันนี้ตัดสินใจมาส่งการบ้านเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วฝันถึงหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามาส่งการบ้านได้แล้วค่ะหูเอ๊ หูก็ตื่นมาดูจิตตัวเองว่าเผลอไหมทำไมหนูไม่ถามหลวงพ่อในฝันแล้วว่าให้ตรวจกันบ้านไปเลยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนหนูค่ะแต่ว่าที่ที่ที่หนูต้องมาวันนี้เพราะหนูจําไม่ได้ว่าหลวงพ่อสอนว่าอะไรตอนนาถูกแล้วล่ะนะถูกค่ะบคุณค่ะดูมันทํางานไปสังเกตไหมว่ากายกับใจมันโค่นล้านกันสังเกตนั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะความรู้สึกแต่ใจก็โค่นล้าน ดูออกใช่ไหมแต่เราไม่ประคองจิตให้นิ่งนะอย่าไปประคองอิริยาบถย่อยรู้ได้แต่ไม่กําหนดรู้เฉยเฉยรู้เฉยเรู้เหมือนเห็นคนอื่นทำงานไปเรื่อยๆนะอย่าไปกําหนดนะกาหนดมากๆเครียดไปก็สุดท้ายนี้ตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติจนกว่าลมหายใจสุดท้ายโอ้ชอบสาธุต้องตั้งใจอย่าเอาไนนะ ชาติหน้ามีอีกจะปฏิบัติอีกตั้งใจก็สงสัยจะได้เกิดอีกหลายชาติก็ตั้งใจว่าก็ส <c oughs> ู้ต้อง อ, อย่างนั้นต้องอย่างนั้นคุณค่ะต้องสู้กลับไปนีมาแสดนครับหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านข้อหนึ่งมานะครับให้ทําจิตให้ตั้งมั่นนะครับก็เป็นเป็นปัญหาที่ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าก็รู้สึกดีขึ้นนะครับ ก็รู้สึกว่าการถลำเข้าไปรู้ลดลงนะครับเมื่อถลำก็รู้สึกนะครับแต่ว่าความเป็นกลางนี่ยังยังไม่ดีขึ้นไม่ดีไม่เป็นไรครับยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันใช้ได้นะอย่าไปทำให้เป็นกลางเราไม่ทำอะไรเลยเรารู้อย่างที่เป็นนั่นแหละถึงจะใช้ได้เออเขามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมฟื้นฟูอีกไหมแทำให้ดีคือแล้วลับขอบคุณครับนักสการหลวงพ่อค่ะ เึิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้สามสี่เดือนฟังจากยูทูบอะค่ะตอนแรกใช้เคยใช้ดูจิตแต่ดูจิตแล้วมันฟุ้งซ่านจนเรานอนไม่หลับก็เลยเปลี่ยนมาดูกายอืแล้ววันไหนถ้าจิตมันเด่นก็จะดูจิตอย่างนี้ปฏิบัติถูกดูอย่างนั้นแหละเข้ากลายเป็นฐานไหมในรูปแบบก็จะใช้เดินจงกรมอแต่เวลาเดินแล้วเป็เวลาจิตไหลไปคิดอ่ะเราจะจับไม่ทันก็เลยจับความรู้สึกเอาว่ารู้สึกสุขเฉยเฉยอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะได้ เอาแค่สุขทุกข์เฉยๆแค่นี้ก็พอแล้วอยากขอทำแนะนำหลวงพ่อค่ะทําถูกแล้วล่ะไปทําอีกแต่อย่าไปแค่มันเคร่งเครียดนะค่ะทําเล่นๆเพราะบางครั้งเดินเคยตามความคิดแล้วมั น, นงุนหัวก็เลยเปลี่ยนใหม่ในอย่างนั้นใจมั น, มนฟุ้งเกินไปครับถ้าใจมันฟุ้งสัน้นดูไม่รู้เรื่องดูไกลถ้าดูไกลได้ต่อไปพลังของจิตเรามากขึ้นมันจะเห็นจิตชัดนะ ครูบาอาจารย์สอนให้ดูกายเพื่อจะรู้ทันจิตดูจิตเพื่อจะเห็นธรรมธรรมะที่ดีกุศลอกุศลอะไรอย่างเงี้ยจะทั้งมรรคผลนะเกิดที่จิตท้งนั้นเองบางครั้งเดินเดินอยู่มั น, นจะรู้สึกอกไ<ห>ะไรใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับตอนคุยได้เพลินแล้วค่ะอให้รู้ทันว่าเพลินค่ะดังนั้นโดยนิสัยเนี่ยนะต้องระวังข้อหนึ่งอย่าช่างคุยนะคุยน้อยๆเท่าที่จําเป็นถ้าคุยเยอะแล้วจะเผลอ นั่นพิธการค่ะหลวงพอ่อหนูขอขมาหลวงพ่อเพราะว่าบางทีคิดความคิดมันแบบชอบไปคิดอะไรอย่างนั้นแล้วก็กวาคิดมันห้ามไม่ได้ค่ะแ ต, ตแต่ก็กลัว ค, ดดค่ะอย่าไปกลัวมันสเห็นไหมมันคิดอกุศลได้ค่ะแต่มันคิดเองตรงที่จิตคิดอกุศลนี่นะ้าเป็นอกุศลนะแต่ตรงที่เรารู้ว่ามันคิดอกุศลเนะี่ยจิตเป็นกุศลนะ นั้นตรงที่มันคิดไม่ดีเราไม่ได้เจตนาเนียเป็นกรรมเล็กน้อยนิดเดียวตรงที่เรามีกุขุสนเกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่กว่ากันไม่ต้องกลัวหลวงพ่อคะแล้วขอขมาล่วงหน้าด้วยได้ไหมค ะ, ะเผื่อว่าแบบ <laughs> ขอเป็นลายปีเลยไหมรับสัมปทานเป็นปีปีเพราหนูปฏิบัติแล้วหนูนึกถึงท่านเป็นเป็นแบบกรรมฐานหนูอะค่ะและ้วชอบอนึกไปนึกมาแล้วเลิดเนี้ยค่ะเอานึกแล้วเตลดิดทกเป็นนึกอย่างอื่น <laughs> นึกอะไรที่มันไม่เตลิดอ่ะมันไม่ค่อยอยู่ต้องถึงท่านถึงแบบรู้สึกว่าแบบมีพลังอะไระะอย่างเงี้ยจะระลึกเอาพลัง <c oughs> อย่างหนูก็ไม่ทราบเดี๋ยวหนูเข้าเรื่องปฏิบัติะคะ่ะหลวงพ่อคือคือหนูเนี่ยเดินจงกรมประมาณสี่สิบนั่งยี่สิบตอนเดินเนี่ยคือหนูไปได้วิชาจากอาจารย์ที่วัดนะคะคณิกาสมาธิะคะ่ะหลวงพ่อแล้วท่านก็พยายามให้หนู ทําจนกระทั่งหนูแต่แต่มันเหมือนฝันอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะคือมันเลือนรางมากเหมือนมันเหมือนมันดึงตัวรู้ออกมาแล้วก็แบบเร็วเหมือนในหนึ่งนาทีเนี่ยมันท่านให้รู้หลงรู้หลงประมาณแบบสิบยี่ครั้งแต่ว่าหนูต้องจ้องหน้าท่านเท่านั้นหนูถึงทําได้ดีนะคะแต่นี้พอเสร็จแล้วจนเสร็จประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ก็มองหน้ากันแล้วหนูก็หวังหนูขอเซฟขอเซฟความรู้ให้มากที่สุดเพิ่มรูม้เจอท่านเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่า เหมือนก็ดูกันแล้วก็รู้ว่าแบบธรรมชาติของจิตหนูค่ะมันเป็นแบบไหนหนูก็เห็นมันเป็นกลมๆติดกันแล้วก็บางอันหลงมากบางอันหลงน้อยบางอันหลงมากแล้วก็มีตัวโมหะคุมเป็นแถบเลยค่ะหนูก็ท้อเลยหลวงพ่อคือคือเราก็รู้ว่าเราอีกไกลแต่แต่หนูอธิษฐานเวลามีจิตว่าหนูขอได้โสดาบันภาในชาตินี้นะคะก็ยังสู้ท่านก็บอกว่าเออท่านให้กาลังใจละกัน ตอนนี้หนูก็เลยเอามาอะดปต์ใช้ตอนเดินจงกรมซึ่งปัจจุบันปกติในหนูจะเดินแล้วดูความคิดอย่างเดียวแบบเหมือนกับว่าหลงรูเ้เอ้ฟุ้งซ่านแล้วรู้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูก็เลยมาอะดปต์โดยการที่เวลาเรามองอะไรเรารู้จิตเราพุ่งไปดูตรงนั้นแปบลบว่าเราหลงแล้วก็รู้กลับมาอะดปต์ให้มันเร็วขึ้นเหมือนที่ท่านสั่งว่าควรจะทําแบบนี้บ่อยๆตอนนี้หนู ก็เหมือนงงเหมือนกันค่ะทาเหมือนกับไม่แน่ใจว่าหนูควรจะทำอย่างที่แล้วมาก็คือดูแค่มันจะเหมือนสบายกว่าดูแค่แบบเราลืมตัวไปแล้วเรารู้เราลืมตัวคิดแล้วเรารู้หรือเราพอทำได้แล้วก็พ อ, พอที่จะทำอย่างที่อาจารย์ท่านนั้นสอนด้วยใน40นาทีนั้นแล้วก็20นาทีที่เหลือหรือเปล่าคะหลวงพ่อถ้าถ้าแบ่งเวลาทำนะทาแบบนั้นได้ จะทำตลอดเวลาไม่ได้เครียดก็มันเหนื่อยมากเลยค่ะหลนะูกพ่อทำห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีอะได้ถ้านานกว่านั้นได้เครียดแล้วไม่ได้ผลหรอกมันโลมแล้วทำแบบแวบๆบแบบแล้วก็ ม, มันกอ็อละเหยแบบไปเพราะโดยนิสัยนะต้องทำจริงจังแบบนั้นเป็นช่วงๆไม่งั้นมันจะออละเหยหนุมคนทำแบบ แบบในรูปแบบนั่นแหละจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยแบบเดิมแต่ว่าไม่ไม่ทำมากทำเป็นช่วงๆไปทำสิบนาทีหยุดก็มารู้สึกตัวในชีวิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็ทำอีกสั้นๆแล้วก็ปล่อยไม่ไม่ไม่จงใจปฏิบัติรู้ไปตามธรรมชาติอีกช่วงหนึ่งถ้าคืนไปจงใจตลอดเดีจะเครียดเกินไปสแสดงว่าสี่สิบนาทีที่หนูทำต่อเนื่องมันจะเป็นเครียดมากกว่าเครียดมากกว่า เครียดนั้นจิตเป็นอกุศลนะนัน่นสิหนูก็นึกถึงท่านเวลาหนูเครียดหนูก็เลยแบบโอ้ยคือคื อ, อสรุปหเอาใหม่หนูต้องใช้ทุกโอ้คือสั้นๆพอนะสิบนาทีพอครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปล่อยเลยแล้วใช้ชีวิตธรรมดาเนี่แหละถ้าไม่ไม่ทำเลยนะมันจะหลงยาวต้องลงทุนนะ ก็แปลว่าชั่วโมงละสิบนาทีสองชั่วโมงสิบนาทออีขนาดนี้เราคือมัน ม, มีอะไรทําก็ทําอย่างนั้นลยรวมๆแล้วได้สี่สิบนาทีให้ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นได้กี่นาทีก็ช่างมันอย่าไปตั้งเป้าว่าวันนี้ต้องเอาสี่สิบนาทีนะเครียดเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งได้สิบนาทีก็พอหรือห้านาทีก็พอละอุ้ยเดี๋ยวมันจะหลงมันจะเห็นไหมล่ะพอ <c oughs> ให้ทําน้อยก็กลัวอีก <c oughs> ไปดูเอาไว้แค่ไหนพอดี นะแล้วคาท่านแล้วแลวคะแล้วหนูพอจะแยกอะไรกับเขาได้ได้สไม่ได้แยกแล้วใช่ไหมคะ่าแยกบ้างลงบ้างโอ้ยราคาท่านใครทำเอาไปห้ามทอ้อไม่ไม่ท้อคะ่ะแต่ว่าจ ะ, จะพยายามไหม่คะ่ะเอาใหม่ครับอ ย, รอย่ารีบ อ, อย่ารีบ้อนอย่าลบมากนี่เป็นธรรมดา ค่ะแล้วฟังซีดีท่านไปเรื่อยๆเวลาเร า, เ อ, าออกกําลังกายหนูไปฟิตเนสเงี้ยตรงสรา้แล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้เราปัจจุบันไปเรื่อยๆฟังฟังเราออกกําลังกายไ ป, ไปฟังของท่านได้ไหมคะ <S 2> <S 2> หรืงพ่อได้ฟังหลวงพ่อตอนไหนก็ได้ค่ะ ม, มาสการค่ะหลวงพ่อว่าไงคนนี้น่าสงสารที่สุดคนสุดท้ายหนูเริ่ม หนูเห็นไหมว่ากายกับใจโคโรนกันเห็นค่ะหนูรู้สึกไมว่าความรู้สึกอับจิตก็โคโรนใช่ค่ะหนูเห็นไหมว่ามันมาเองไปเองใช่เลยแล้วหนูจะสงสัยอะไรก็หนูเห็นว่าเวลาที่หนูมีเสตียหนูจะเห็นว่ากายกับใจมันแยกกันอยู่เหมือนน้ำกับปลาอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะถูกเห็นถูกแล้ว แล้วก็คือหนูปฏิบัติมาได้ค <น S 1> แค่คือได้เปรียบดีนะน้ำกับปลาอยู่ด้กันแยกออกมาแนละ้วเหมือนนกกับน้ำอย่างงี้นะดันั้นแยกไกลไปค่ะหนูปฏิบัติมาได้เจ็ดเดือนแล้วอะค่ะช่วงที่ปฏิบัติได้สักสามสี่เดือนมันจะเริ่มจิตมันจะเริ่มเห็นว่ากายกายมันมีทุกข์แล้วก็มีแต่สิ่งสุกระปกจิตหนึ่งก็เบื่อกายจิตหนึ่งก็รักมากมันเหมือน ยึดแล้วก็ปล่อยยึดแล้วก็ปล่อยอะค่ะมันยังมันยังมีโทสะเจืออยู่นะค่ะตอนนั้นหนูไม่รู้จักว่าเป็นกลาง<ม>เป็นยังไง ร, <ม>รู้แค่ว่าเบื่อมากแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หายไป<ม>พอปฏิบัติได้สัก6เดือนหนูเริ่มเห็นความทุกข์จากจากความสุขที่เคยมีมา ก, ก่อนอย่างเช่นหนูชอบไปเที่ยวหรือว่าไปกิน<ม>ไปดูอย่างเงี้ยค่ะแต่พอปฏิบัติได้สัก6กเดเดือนมันเริ่มมองว่าจริงๆแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นเลยอะ่ะพอยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ ยิงอยากก็ยิ่งทุกเห็นตัวนี้ยังไม่เป็นกลางนะใช่ค่ะหนูก็ยังไม่เป็นกลางตอนนั้นใจมันแบบเศร้ามากแล้วก็คิดแต่ว่าโหแล้วเราจะไปหาความสุขจากไหนเนี่ยมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็มาคิดได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าอันไหนที่เป็นความสุขก็ให้ทําสิ่งนั้นหนูชอบอ่านพัตไตรปิฎกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ใช่สมถะใช่ไหมคะอะอัตนไตรปิฎกทำเป็นทับสมถะอะค่ะเป็นสีเป็นสมถะแต่ตอนอ่านไปมันก็จะคิดไปว่า คิดคิดเรื่องราวในในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันคิดแล้วก็รู้ว่าค่ะถ้ามันไปคิดไปเรื่อยๆนะแล้วเรารู้ว่ามันคิดนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาอยู่มันก็ไม่เป็นสมถะเลยอะค่ะทุกคืนเออถ้ า, ถ, าถ้าคิดอ่านพระไตรปิฎกไปแล้วก็เห็นจิตใจทํางานไปเนี่ยมันจะเดินปัญญาอยู่นะมันไม่ได้พักแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้สมถะบ้างอะคะ่ะบริกรรมไปก็ได้นะทําใจสบายๆหาย ใ, หใจไปก็ได้หาย ใ, ใจออกก่อนหายใจออกก่อนนะ หายใจออกแม่ใจมันจะคลายออกถ้าหายใจเข้าก่อนหาใจแน่นหายใจออกแล้วก็ค่อยหายใจเข้าหายใจออกไปนิดหนึ่งก็หายใจเข้าก็พูดธหาใจออกก็โทคนส่วนใจเคยชินว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราก็ไม่ฝืนหรอกทีแต่เริ่มต้นยังไม่ต้องพูดโทหายใจออกทิ้งไปก่อนใจมันคลายแล้วหายใจเข้าก็พูดหายใจออกโทะใจจะได้มีที่พักบ้างออใจมันฟุ้งไปเหนื่อย ใช่ค่ะบางทีหนูก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเร็วๆอ่ะคะ่ะให้นั่นพุโทโธแล้วโมโหไม่สงบหรอกอ๋อค่ะหลวงพ่อข้ามีคําถามอีกเรื่องหนึง่งเวลาที่เราเกิดโกรธใครหรือว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราไประบายในห้องน้ําหรือบนว่าอยู่คนเดียวแล้วสบายใจอย่างเงี้ยเราเราผิดศีลไหมคะด่างท้อยไหมคะไม่ผิดนะดที่จบตุ๊กแกรมัน ไ, ได้ว่า ไ, ได้ฟังโอเคได้ค่ะ ถ้าอย่างงั้นหนูขอกันบ้านด้วยค่ะอย่าไปใจร้อนน ะ, ะเวลาภาวนาถ้าโทสะมันจะแทรกให้รู้ทันเรื่อยๆอ๋อแล้วถ้าหนูชั่งหัวมันบ่อยๆได้ไหมคะชั่งหัวมันแบบโมโหอีกอ๋อต้องเป็นกลางก่อนใช่ไหมให้รู้ทันว่ามันไม่ชอบให้รู้ทันว่ามีโทสะไม่ใช่ต้องเป็นกลางนะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางคําว่าต้องไม่มีนะ ปกติหนูภาวนาแล้วมักจะหลงห ล, ลงลงเรื่อยอะค่ะเมื่อก่อนพอหลงเสร็จภาวนาเสร็จก็จะแบบเซ็งแบบหลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหวแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่พอตอนหลังๆหนูก็พยายา ม, มช่างหัวมันแหละหลงก็ช่างคอยได้ทําีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะมอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไปเรือ่อยๆค่ะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงยาวได้ค่ะ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 ขออนุมทมนาจากทางหลพิบัตินะขออนุโมทนา